ท่นนสาธุชนพุทธบารีรสัตย์ทั้งหลาันวันนี้ก็มาขอฟู้เรื่องพระมุิโสโกสทั่ธีต่อเมื่อตอนที่เรามาจบโลกตอนนี้เอาสมมาที่แก้วแต่เป็นพุทธบาสุดคข้ใจความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีไม่จะปริบัติเอาอกเอาใจซึ่งกันต้องการทั้งหลาย ล้วท่านหลายก็ควรจะอยู่ร่วมถ้าเรามีเพื่อนจ่เป็นคนผ่านอย่าคนขึ้นเชื่อคนผ่านไม่มีสันดานเป็นเพื่อนมีจะทำลายให้เกิดเหตุไร้ในความเยามร่อนหลังจากนั้นมาโอส่งกบุญละวอนเพื่จบพระมรนดาบิสุ500ห้าร้อยลูกที่ไปจะก้านนนต่างก็ได้อราจตผลแล้วหลังจากนั้นก็ลันก็หลาทุนออกสมุดธบิที่แล ว่ามีภ า, า, า, า, า, า, าริย ส, ส, สาวกปรมาทานนกาโดอดที่มีภาริยานา้นอนดก็ด้เช่นทีําลั้สาข้าบุกหน้าพอนน้การสมบุไปโอดเขาออกสมบุตะกูลนิรภัาเจ้าเจ็บนั่นนี้ต่อไปเขาอาอกสมบุกเพื่ออัตรารุรมษศาสนาเจ้าอลี้ยพราพุทธองค์ตัดว่าอ น, นันธาบวกก่อนอ น, นุน ถ้าอย่างนั้นเธอจะรับบาจีวรเร่แมแล้วให้พระเถระรับบาจีวรแล้วสนอต่อไปข้าใหญช้างได้ยืนขวางทางไว้ม้าด้รู้ทั้งหลายขุนนั้นก็ไ้ทูลถามองค์เด็จพระพุทธเจ้ามาว่าพันเตยพระเกว่ า, านขาได้ออกเสด็จพระพุทธมีพระพ่ายเ้าผู้จะเอนพระพุทธเจ้า ถ้าเพระองค <ally> ์จะเร่ช้างทำอะไรก็ได้ฉันเลยเพิมละไม่ทราบคำดาจะเริ่ีพระพุทธดีการัตตุาทุกัร่อก่อนที่สุทั้งหลาย้างหวังจะถวายผู้ขากศเพื่อถวายอาหารเกศทั้งหลายไม่ไรช้างเชื่อนี่แหละที่ให้อุปการะแกเราตลอดเลาที่นานตลอดสามเดือนการทำใจให้ช้างนี้ขัดเขือน่าดูการสมควร ฉันขอให้เธอทั้งหลายจงพาเป็นกลับเถิดเพืการสนองความดีที่ช่างตั้งใจงไว้แม้เสนพรจอมดาวจสมารีสุธาราสุสาาสกาดกัครับควาจยิ่งฟพระเร า, าหันม่เลยยากแต่เมื่อกวบริบทผลไม่ยา ก, ากไม่มีากมมารเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่อยากวิจา ไม่ไหนก็พูดอีกคนนี้เลยกินเหล็หนาเส้นดานอยางอยางชาวโกสามสีโอ้ทำไมเขากินมสียอะเพื่อยังไรยังไงเขาไม่ยอมรับฟังอห้เสนดานชั่วมันเป็นอย่างนี้ท่านไดความดีที่ท่านจะได้แล้วดูคนต่อไปอฟแชงเข้าไปสู่ลาฝาแล้วรวบูมมผลไม้ได้มีผลขั้นหนึ่งเลื่อเป็นต้นนำมาวกงมาควายตัวกองกอง เมื่อในวันลูกขึ้นได้ถว า, าก็รี้สึกทันไรเหล่านั้นที่สูกห้าร้อยอูปฉันไม่ยอมหมดเพราะช้างนัมามากไม่เวลาสุดพระตาจิตคือฉันข้าวสรรอาหารเสร็จแล้วสมุ ด, ดพระภิกษุเพื่อทรงถือบาจีวรสมุดออกไปพญ า, าช้างก็เดินตามไปเพืาะว่าพระไม่ได้จ้าเดินหน้า มันดาพระเดินตามหลังช้างเดินข้างกลางแลว้ววางพระพุทธเจ้ากับมันดาพะแล้วต่อมาช้างก็ยืงขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้มันดาที่สุดทั้งหลายแล้วนั่นเห็นซึืกระดาทูลออกถามออกสนพระพุทธมีก็ข้าเจ้าว่าข้าจะไปองค์เจริญช้างเขาทำอะไรไม่จ้าคะ ฉนเลยเขาเมาส่สัาจะไม่มีพระพุทธดีกาแต่ถ้าที่สุทั้งหลายร้างนี้จะทรงโคตรไปแล้วก็ชวนให้เรากลับมันได้ดที่สุทั้งหลายเาไม่กระทำถางว่าณหรยพระเจ้าข้าเขาเร า, รา ม, มาสสัาจะมีพระพุทธดีกาแต่ถ้าทนั้นดทั้งหลายระดับนี้นโอ้ฉันจะไปจอตรที่สันจะตั้งใจว่าปาลิลายะกะ การไปตองนี้พวกเราเราไปไม่กลับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ชานคนดีพิพิธนายคนดีมรรคผลคนดีย่อมไม่มีการเจ้าเรือนในดุจเื่อไม่มีการเจ้าเรืยดับภาพนี้เจ้าจงหยุดโถิดท่ายชายนได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วไม่สอใจเข้าปากคอให้เดินไปข้างหลัง ก็ยายช่างนั้นเมื่อจะเกินองฉันจะจำมาเขาไม่ได้เจ้าห้กลับคิดว่าถ้าองฉันจะทำมาเาไม่ได้เจ้าใกลับมาเราจะจะเป็นบติเช่นนี้โดยองฉันจะเป็นฤๅษีตลอดชีวิตว่าเมื่อจากเช่นไดาฉันจะทำมาเขาไม่ได้เจ้วมาทึงแด้านแองฉันมะเป็นฤๅษีกลายเป็นกล่าวว่าปานไรยะกายังเดินแต่หนีไป ไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ที่มันดำโมวังตาไหลอันตรายที่เบียดเบียงเจ้ามีเยอะล่อข้าวเจ้าจะงหยุดหยุดเ้างนั้นเราตามันไม่เป็นล้เขาอสมเด็ประสงค์พื่อเพื่อพื่อมีกระพายใจแลวก็อยู่ร้องห้ร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่ก้าตามไป ก็ส่ยคนละแบบจำได้เลยแม้แต่คนตายคนตกใจคนโกรตคนที่าเห็นคนมองไม่เหนแลวเาเรียก่าอะไรในครองจากสุขหมายความมองจน่รับตาแล้ว่าก็มีหัวใจแตกตายไม่ได้เกิดในานกลางนางที่บวชสองพันในมสโยตในขบเชกเราเล่าดู ก็มีความเรื่อไสายสมเดตจเปันมาสมเด็จเจ้าช้างตรงนั้นเีนนามว่าฝายมิรายศักดิที่ประมุขฝ่ายด็วยศสตร์สันได้ก็ไม่สำเร็จถึงไม่เทววันโดยดันดับตอนนี้ได้คุยแล้สลุกตัาช้างนี่คิดฟ้ากันเทศโรยสัตว์ทบุญไม่ได้สัตไม่มีกาสบาเพ็ญบุญตนไม่ทำห้เก คนเคยพ code code ูดมาแล้ววันสมัยในเรื่องมันได้คนละเรื่องที่บําบุด้วยที่ว่าเพื่อพระเทวันดาทำไปในได้แต่ทำไปในที่มันลดไม่เกี่ยวไม่ได้คนละเทีบุด้วยเจ้เป็นเทวดาก็ใช่เรื่องใช่ไม่เราเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วฟัพวกได้จ้าเทิดจบเดวเป็นรมันที่แท้เทิดมากกว่าคนเราเลย ที่มาตอนนี้ช่างปาริเลตเจ้าคนดีหนึ่งคนดีต่างคนต่างก็ไปเกิดนสวรรค์ข้นดกโดสถานะที่โด ย, ยัตว์ไรานันว่าที่มแนะนาให้มันยาพวกคุณทั้งหลายช่วยกันให้อาหารสัตว์ให้มีความปัตตนายอย่าง่าให้สัตว์มีความาสุน่นขนลุกสัตว์มีความรักเทวดอย่างโคศกเทวมด ตั่นเองคนักเป็นความรักโสดตายแล้วก็เป็นเทวดาแค่นีรักเลยไม่ได้เจ้าเีนรักเลยไมะ้เจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาที่มาได้ตหลายที่เ ร, เรียนก็เหมือนกันไม่ใช่เราหามันมาเทาเ ร, ารบา ง, างคนยังทนตามที่เราจนจ้เมื่อเราเรียนได้อย่ารียถึงมีความรักโสดทก็เป็นของตนขิดไม่ว่าสับทุกตนที่เราเรียนตายแล้วเป็นเทวดาหมด เมื่อคยกันต่อไปแม่ลกซชาองโก้งดีทราราข่าวว่าเวลานมื่อเขาเด็กเขาสมาลเขาพเจ้าเขาเด็กเขาสาวว่าถึงแล้วเมตามคนตามทางกันไปเพื่อจะเท้ากราโทนเอสมเด็จพระบตเก้าเื่อการยกขอขึ้มาพร้าบ้ามครับว่าเพื่อเธอไม่ขอขึ้ไม่ได้เจ้าก่อนแล้วก็ฉันไห้กิ คีอตอนนั้นอดหัวโตวอยู่ไม่กี่วันแต่คุณตามบอกจะบ้าน้วดีกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเขาบอกไรอยังก็รา้พวกท่านนี่มันมั่นยามทำให้พระพุทธเจ้าไปจากโลกนี้ผมต้องการบูาช า, าพระพุทธเจ้าท่านบตัวุอภิ้าสร้างความสามัคคีแม่ต่อพระพุทธเจ้าโตขอร้องห้ามปรางค์งงท่านกันเถิดต้องไปป่าด้วยบรรยากะ ถ้าท่านเลหลายอย่างไม่ขมาเพรจะจดูจเดียงเลยคไม่ข้าวทนกินเมื่อเขาเยนเยนแบบนั้นเทานั้นก็โตถึออว่าโตไปทสามเดือนไดาหาจากคนอื่นบ้างไม่นิบคนหนอยตั้งห้าร้อยเม็กินคู่ฝ้าจาลายไปตามๆกันมื่อั้นใดคนชั่วเป็นอย่างนี้ถ้ามีขั้นใดคนชั่ว ย, ยางนี้มีหน้าเท่าไรบ้านเมืองมันลายเท่านั้นถ้าวศาสนา ก, ก็มันลายเท่านั้น เพราะนั้นหลวงคุณหลายมีความปรารถนาหนึ่งก่อนจะคิดก่อนจะทาคิดซะก่อนค่อยคุยก่อนแต่คิดว่าเราทาอย่างนี้ดีทำอย่างนันดีไอ้คาว่าดีของเรานี่มันอาจจะเป็นกระทบกระเทือนอะไรเข้าคือฉันแบบว่าฉันมาฉันเ็นด็กเจ้าไม่อยู่กับพ่อพี่โสชาวโกสามสีม่ก็เป็นการบุคว่าก็พ่อเขาคิดว่าอาจารย์นี้ก็ทาไน้าดูความดีก็่ความจรงมันไม่ดี ตนเล้พระจีนาสอยัม่อยู่ด้วยพกเรากะเหมือนกันถ้าใครเขามีสรุป ม, มันจะธรระไรไหมนี่ทือผนเรากคบเขาถ้าเขาไม่มีหัวมันมีผลไเมารุประตามมนนาทำอะไรจงยากขบเขาเลยเราอยู่คนเดียวอดตายดีกว่าอยู่กับคนทำฉั น, นดานอยากสร้างดาโดยความทุกข์แต่คนทั้สุขขึ้น จิตใจของเราจะเมื่อหมอดูไ ม, ม, ม, ม่ดีเรานกัเหมือนกับในต่อหอที่นักหนานั่นแหละเป็นการไม่สคตน่ตนนน า, าเืา่อหลายตัง้งใจมาอาาาัาสมุทรเจ้าตอนั้นจปศก็แ ส, สแล้วีนนว่าพวกชาวเมืองโกศสทาเมโก ยามาเป้าองค์เพื่อเพื่อสร้างความต่คราวกันในขณะนั้นกำลังมาอยู่จึงข้าไปเป้าองค์สมบด็จพระบรมโอรูาธถามว่ากลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เรวนมั่งฉันจากเยียวยาให้ผู้เราแมงเข้ามาสูมแหวนแครงของ ม, มัฉันเมื่อพระภักวันในชนตถาว่า มหาราชาขอถวายพระพรสมหาบุพรพราจตสมภัยผู้สื่อเรานั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่นนถียเท่าคำว่าธรรมาเพราีวิวากันซึ่งกันและกันบัดนี้เทอจนไหลามาเพื่อขอกรออมาธมามภาพขอพระมหาราชจงอนุญาตโดยเจ้าบุตรทั้งหลายแล้วนั้นมากถ ว่าท่านมาอาศัีในนามานาฬิกาผู้เป็นเจ้าของอาหารแล้วการผนองสนับพระวิรมมนิวาพันเตงพระค์ว่าข้าตัวองค์สนับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเงค์ข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ดูสูตรเลานั้นเข้ามาสู่อิหารในเรื่องถ้าถูกองค์สนับพระวิถีแค่ต้อห้ามตามเหมือนกันก็จะไม่ยู่ ไม่อเสื่องท้งหลายเหล่านั้นมาถึงเคือสาวที่โบําดับถ้พู้มีพราคจ้าจะรับสั่งให้เราทานอัศวินชนหนึงให้กับพวกเธณให้เป็นที่สงัดเชื่อจ้าันดาบะท่านหลายออกไปสาบที่สูตท่านอื่นไม่ไม่สูตชาวสอมโกสัมพีมันหนึ่งจากกลุ่มห้าร้อยน้สาห้าร้อยนวห้าร้อยเลยก็ได้ห้าร้อยี 5 0าร้อหรั่นเทมา่นหนเทาเื่อนห่งนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ีใครไปยืนด้วยไม่มีใครไปนั่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วยสำหรับครูพระก็เลยเกลียบครูพระวนนี้จริงๆยอดทห่งความโหนืย่งว่าไม่เชื่อแม้ต่พระในเจ้าเอาเหตุผลที่เป็นจริงเลยเพีแค่เรื่องนั้นสำาระนิดนิดเดียวส้าความแตกลาให้เกิดขึ้ บรรดาประชาชนหลายที่มาเฝ้าพระเจ้าก็นเหมือนกันพถามองสมเด็จพระกวันว่าข้าจะร้องผู้ใดพระผู้ไหนที่เนชาวเมืองโกสัมีผู้ก่อความตกล้านั้นอสมเด็จพระกวันทรงแสดงว่านู่้นั้นหละผู้ที่น่าจะแฉลห้าร้อยลก่อละ่็นศิษชาวเมืองโกสัมี ค น, นมางคนชาบ้านที่มาแล้วก็ชี้หน้าน้ี้หน้าอางมีอะไรขี้หนึ่งที่ความเออยอหยิ่งี้หนึ่งก็ี้ี้หน้าเมื่อกล่าวชาบนนี่พวกท่านอะไรเป็นชาวชาวเมืองโกสัมพีประกอความแต่งเราให้เกิดขึ้นคืบอกว่าเป็นตามสนังสือตัอวหนังสือพิเศษชาวเมืองโกสัมพี ก็การความแตกเราเหล่านั้นก็อายไม่อาจจะหัวขึ้นมาได้เพราะความอายต่างคนต่างพุทธนาโล่ใกล้สบายเขาเอาชนาผู้มีพระทยเจ้าแต่้าร้อใกล้งไม่ได้เลยเพราะน่นอายทนไม่ไหวต่างคนก็ต่างหมอบเอาหน้าหลบลงพื้นกนแล้วกัน แม่กราบพระพุทธเจ้าทูลขอ็มาโทษโอษมุสะูมีสะพ้าเจ้าตอนนั้นสมุตพมิพระพูมีสะพ้าเจ้าจะทร ง, งมีพระพุทธธรรมตรัตรตู้ที่เขม้มงวดกว่านี้สุดท้ายเธอต้องหลายธรรมกรรมนี่หนักมากชื่อว่าพวกเธอต้องหลายแม่บ่นแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าชิมเราเมื่อเราทาความสามารีวิอก็ไม่ยอมทำตาม คำของเราวายบรรดิตอันนี้ในปางก่อนในสมรับิองค์วเขขอมารดาะวิดาผู้ต้องประหารชีวิตในมารมันดานั้นถูกลงชีวิตันแล้วก็ในอยวันนั้นภายหลังนครองได้จะสมบัติสองใบงแฟนลังนี้ความจริงมันดิตในการก่อนนั้นจอพระพุทธเจ้าเองซึ่งมีนามว่าทีฆวัตภมาณ ่อความย่อเขมีว่าเมื่อ พ, พระราชาพพุทธเจ้าคมอาทัดยกทัพปรยุทธนคนจับพระราชนิมนานและพระราชนันดได้ก็สั่งประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตพ่อหรืพ่อและแม่ก็งลูกนุก่งเข้าไปเออตะพันจึงจะเข้าไปฆ่าอืาน่นเท่า น, น, นั้นยอมตัวเข้าไปฆ่าคนอื่นเมื่พ่อหรือนุ่งก็เมื่อพ่อกับแม่หนุ่งแล้วเดินล่ละะลองไปก็พูดมาดัง ขยับตัวไม่ได้เพราะเขาเาข้างขื่เข้า ข, า, ข, า, ข, า, ขามัดหมดยิ่งการที่เขาว่าที่ขาวุทีเขาวุถ้าเจ้ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อยิ่เป็นพาสิทธิสันส้นในธานีท่ารักยาวแล้วก็ให้มันแค่ท่ารักสั้นแล้วก็ให้ต่อเพียงเท่านี้ท่านเป็นมลิทธิความเข้าใจ หลังจากนั้นเดือดอกาสลอมตัวเข้าไปเป็นอํนมามัสเขาพระเจ้าสมมทัศน์เมื่อทนเป็นํามาัสเรื่มวิจารเรื่มห้องมันถ่มครั้งหนึ่งพระเจ้ารมมทัศ์ออกล่างสับใน ป, ป่าไปแต่ผู้เดียวเพู้อื่นเป็นคนขับม้าหรือขับสายช้างเป็นคนเป็นคนุกตเวละกันออกไปไกลจะมัสทั้งหลายเนี่ยขับขับสับไม่ได้เพราะเป็นเนื้อสมัน เในขั้นนอนเอาหัวพาดบนต่างขีเขาวัคุมาลขณะขั้นหลับทีเขาวัคุมาลก็แชกติดตรงมาหลบให้ตืน่นอำไมพดออกไปก็ว่าการตัวเรา น, นี่คือลูกชายของราชาที่ทังขา่าเราจะเอาชีวิตทั้งเสือทำท่าเรียกศิษจะคี่ทัททงคอ พระเจ้าโบราถ้าก็กลัวตายเป็นเร่งกันไม่มีใครช่วยเพราะตัวตัวนอนนี่แบบนั่นเสียท่าจ่งกล่าวว่าจะขอคิดจีงเขาคนมันคนนิสมือนได้ว่าพ่อสั่งเรารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวให้บันก็นไมายความว่าอย่าจองล้างจองใส่ต่อไปบันใช่ไหมจะมีความยาวลงความลงอย ถารักสั้นให้ต่อก็หมายความว่าอะไรถ้ามันสั้นแล้วก็ต้องการให้มันสั้นขึ้นมาทําต่อไปท้วความดีอะไรที่เวรรบร้อยทำไมสัน้นแล้วมสั้นเหลือเกินนะทำต่อไปท า, าต่ อ, ตอนี่ผมตีความหมายไว้ให้ถูกแล้วพิจนะณาเนอานัาาา้นว่าพระเจ้าพระมัศมได้ชีวิตทั้งความดีมีความกระตัอยู่ก็คือขาวกุมาน พรามีความกตัญญูตวีด า, มา น, านดมันดาคนนีเพระเจ้า ว, ว่าจาว่าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงข้าพระเจา้าวันนี้จะฆ่าเธอเนี้เท่านว่ามีงนะคุณเพื่ออะไรบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอเป็นลูชายของพีงฉันที่โดนฆ่าตายเพราะเราอยากจะได้สมบัติไอฉันก็ไม่มีนกชายฉันมีแต่นกสาวเอากลับไปเป็ลูกสาวให้เธอครองเมือง ท, ท, ทั้งสองเมืองคือเมืองทั้งพ่อเธอด้วยและเมืองฉันด้วย เป็นอนิวาท่านตั้งอยู่ในวัดขอมีดามันดาที่ในเขางานทั้งสองมือแล้วก็ในเมืองกด้วยเมือถึอพระพุทธเจ้ากะกล่าวตอบผมว่าพวกเธอนี่ไม่ได้รักดิเลาไม่ได้ดูตัวอย่างที่เทวทุมานแต่องค์สมเด็จพระพุทธมารมัยศาสัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้ากองาาาาธธธสัปะทานอภัยโทษให้เจ้าคาถาว่าชนเหล่าอื่น ไม่รู้ตัวพวกเราพากันย่อหยับอยู่ในท่ากลางศูนย์คอยจนเราใดหเมานั้นย่อมีชัดคว่ามหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบเพื่อการปฏิบัติของผู้ชนนั้นการกินพุทธพาสิทุตตังและผมไมเหื่อยเลยเป็ น, น, น, นเพราในการจบพระธรรมเทศนาในครานั้นบรรดาเพื่อสงศส์มากพากันได้มรรลุมรรค เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องราวของโกสัมพีริคุก็ข อ, ข อ, อุปถี่พระเจ้าแผ่นดนตรนี้ต้องเวลามันยังไม่หมดถ้าสืบทอดในพระพุทธศาสนานเรื่องราวของโกสัมพีริคุที่เราน่าจะจํานั่นก็คือความทรงความสามัคคีไว้ แต่ค ว, วามสามัญจะไม่จะไม่มีอะไรเปียนใดนั่นหมายถึงว่าความหายนะนันมันจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งนั่นก็คือพุทธพุทธบรมบาลีที่ได้อยากจะทำยินไงที่เอาสมะชาจันทร์ตรบริบาลสาวัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสอนเรื่องนี้ท่านมุมันได้ท่านที่สุสมณโลมานไหลโนมาสุมาจิกา จนจำแล้วก็จดจบเล้วก็มาพุตธปฏิบัติจะยาเข้าใจว่าแบบเราดีแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าแบบเราดีแล้วอะไรนั่นหมายถึงความหายยะน้จะมีในอับเราดูตัวอย่างที่โกงสัมผัสเป็นต้นหรือว่าดูตัวอย่างที่ส่กกสงของเสียเรื่องความรู้จักกระดา่จะทีทนีคค้เรืาทำหนักเลย ฉันนั้นเมตตาทำฉันนั้นฉันเป็นคนเป็นคนฉันนี้ฉันได้ปิญญาชันนอนให้นั่นในเรื่องของกบฏที่นั่นคือความดีความดีในเรื่อยที่การปฏิบัติเป็นําคัญท่านฟองเรื่องยอสูตรสงรู้คือ่อเป็นาเหตกัรควเข้าใจว่าเวลาที่พระทั้งหลายข้ามาหาปัญญาพระที่เป็นนักปัญญคือว่าขันธทุะ ท่านเรื่างนี้ไม่จะแสดงตนว่าท่านเป็นผู้นลิเมื่อเพื่อนของเรานี่ไม่ได้เรียนอะไรจากสำนักพระองค์สมบด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยท่านเรียนเรปรสนาสมาธกรรมฐานนี่ประชนากรรมฐานแล้วก็เขาป่ามีโรคศิษย์มากมายทั้งเพียงนี้้เรานี่เรียนจบพระดูบอกมีลูกน้องตั้งห้าร้อยเจ้าคณะตั้งสิบแปดหมู่คณะคณะวิชาอาจารย์ใหญ่ ถ้าเธอขึ้นมาเราจะต้องถามปัญหากห้เธอมีความเรื่องกราบาดต่สร้างความเลวให้กับจิตมีความท่านงตนมีมาณ์าผิดผิดมุกระตุนในคนหนดความจีงพระหนึ่งอ่เป็นอรหันต์ท่านก็ยิ่งถ่มตัวมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรือขึ้นยึดยึดถือมือเวลาที่ท่านก็ข้าพุทธเจ้าปัสกาเถระท่านได้อรหันต์แล้วร้องไปด้วยปิสมุทายาน พระที่ไปอยู่กระทั่งทุกคนทุกกสอนให้เึ็นพระหลางหมดคือวลาพระทัายเนี่ยนั้นเวารมาเป้าโอสเดพระบรมสุขคท่านได้ใส่หนาเททั้งหลายไปแล้วไปเฝ้าโอสพระบัพติคตแล้วแา้วไปไศีรษมหาสาวกแล้วก็จงไปหาเพื่อนพระเพื่อนเราเราฝากปนมัสการด้วย มีความเป็นอาญานขท่านท่านดีอย่างนี้ท่านถือตัวถือตนไม่ถือว่านู่นพระองค์นั้นยัเป็นพระทูชนแนละฉันเป็นอาญาน็ต่ว่าพระมาลรงปองไฟคันาธารุระสิหลับท่านมองตนแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เดินอะไรไปทาไมมีรู้สึกมากอย่างนี้มันได้เวลามาต้องถามปัญห า, า, เาเวลาที่ใจเราจังเข้าความเจริงแลก็ต้องาศาสนาเราเนี่ยเราไม่ต้องการ พระพุทธเจ้าเมตตาการชั้นนั้นชั้นนี้จากกระดาษอคงค์เสร็จพระองค์ก็น่าต้องการสมใอการประพฤติปฏิบัติค์การประพฤติปฏิบัติก็คือใครได้มาสนเราสิ่งท่าคานาคาลานี่เขาต้องการเป็นคนดีเพราะองค์นั้ น, นท่านเอาตนว่านตนเป็นคนดีมีความเมตมากมีรู้สึกมาก พระอ น, นั้นท่านบอกว่าสมเด็จพระพุมีพระพ่าคเจ้าสุติมหาสา ว, วกแล้วกลับมาก็นั่งอาชนาสำนสั ก, กัาตั้งโตษถามมัญห า, าสมเด็อพระบรมสารีริกธาตุทราบขึ้นห้าพระอนี้จะนอนเวทีหน้าแล้วจะทำที่ข่มขีพ่พระราหูพังแล้เพราะนั้นสมเด็จพระพุทมีพระพาคเจ้าจะเล่าสมเด็ัโเษถามมันหากับพระราสาว พระนักบรบาัโอนั้นแ ม, นม้อตวชานหรือปฐมชันชก็ตอบไม่ได้ตอนพระพุทริจ้าเนาุระไม่ได้มาเสีมากมายฟังคำสอนนึกหน่อยใช้ตอบหน้าทุนท่องหมดตลอดพระอ า, าทตยกผล น, นี่เราบรรดาพโยคาววาจนทุกคนเราบรรดาเพ่อมีสุขกันเลยฟังแล้วก็ต้องจำนะว่าความรู้จกกากบัญญัตม่มีอะไรดีเลย เป็นเพื่อนฐานจป็แถมที่หวัดหยาบเท่านั้นผลที่เราจะเข้าถึงความสุขของราพระพุทธศาสนวก็ววคือการปฏิบัติทำกิเลศหมดทุจิเลสตัณหาไม่มีเวลาเลยนิดแล้วขอลาก่อยขอความ ส, สงสารทุกพระทุระตมคลสมุนผลนค น, นจนมีเบอร์ท่านได้รับสั่งทุกท่านสวัสดี